ถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องผู้ที่ไปเกิดในรูปประพมรูปประพมไม่ทราบจะทํายังไงรู้จักเฉพาะตนเองเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่ฉะนั้นก็อย่างเราพากันภาว น, นาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นมาเห็นด้วยนี่เป็นตัวอย่าง แล้วไม่มีใครทราบด้วยทั น, นี้เว่าพิจารณาแล้ ว, ลวต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียงพูดออกมาจากรูปคือได้เก็บปากคนอื่นยังค่อยทราบด้วยว่าธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างๆเื่องเดียวว่าต้องอาศัยรูปกับนามธรรมยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูป ไอ้นามธรรมเกิดที่นามคือใจ <c oughs> เมื่อการศึกษาก็ให้ศึกษาถึงใจคืออรูปเสีย ก, ก่อนเมื่อเข้าใจอรูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหารไ <c oughs> อรูปธรรมนั่นมันมีหลายอย่าง ที่แสดงย่ยนย่อมาคือรูปทำนามธรรมขยายออกไปอีกแม่แก่รูปกับนามนี่แหละมันมีปฏิริยาแสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึ้ น, นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอคุสนก็เรียกว่าทำเมือนกัน ถ้าแสดงมาทางดีเรียกว่ากุศลเขาเรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงมาทางที่ไม่ดีไม่ชัว่วคือความกลางเรียกว่าพญากาตาธรมรมนีท่านเสืดว่ากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาพญากตาตาธ ร, รมมาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี่ขยายไปเป็นเป็นสี่ คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี่แหละเช่นห้าก็ได้แก่รูปคำนามของเก่าแต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่แตรูปหนึ่งได้แก่รูปได้แก่กายเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาตเป็นสี่เรียกว่านามธรรมาก็ขยายอย่างเดียวกันเนี่ย พาย้ายไปเป็นหกกับเคื่องยต์นะหกพยายไปเป็นสิบสองก็ได้รื่องยนต์นะภายในหกขายนอกหกเป็นสิบสองข่วงเอาไ 6, 6, 6, 6. ว้จั่งอันเดียวอย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเป็นถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจ ค่อนข้าขยายออกไปภายนอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมุดิวัญญัิตัวทำจริงเลยไม่ได้ <c oughs> อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องรักพุทธศาสนามีสามประกาศคือพระพุทธธรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ ใครจะเป็นพุทธมามะกะคือนักถือพระ พ, พ, พุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมั่นอยางนะในรักสามประการนี้ให้รู้จักรักสามประการนี้เหมือนกันดผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมพระสงค์เสียก่อน จึงค่อยถึงพระศาสนานจึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรนนะันบวช ด, ด้วยพระไตรสนาคมคือขอถึงพระพุทธตามประงสงค์เป็นสรารณะส่วนศิ้นสิบนั้นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็จิกสูก็บวชคือขึ้นต้นเป็นสามเณรถึงพระไตรสนาคมเสียก่อนแล้วจึงค่อย สวนดนิสติคือว่าสงลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองเขาโมทยัยเรียกว่านิสติจะจุดเถกรรมคือลงมติกันนั่นเองลงมติว่ารับรองได้ส่งชิ้นทัง้อยหกบเจ็ดเป็นวิธีดำเนินชีวิตของพระจะต้องดำเนินตามเดียวนั้นมีขยายออกไป ถ้ะพูดไประามประสงค์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาคร้ง <c oughs> นี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสารณาคมโตภูประธามประสงค์ทั้งสามนีละให้เข้าใจทีทวนแค่ก่อนแต่ให้ฟังให้ดีฟังยากจังหน่อยนั่นเป็นของทับสมนกัน <c oughs> พูดคำนั้นเดียวขยายไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย้อนเข้ามาสรุปมาเพื่อให้รวมในจุดเดียวอิทีอธิบายอธิบายอย่างนี้เข้าใจ ย, า, ยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังแล้วไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏาิบัติแล้วเข้าใจง่าย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปิวัตุโตอัญญามัญยวิโยข่าวะเอกียภูตัมปนะทธโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปิวัตุโตว่าโดยวัตถุเป็นสาม คือว่าพูดอันหนึ่งเาทพระส์เป็นสัจัญญามัญญายโขคาวะคือทั้งสามประการนี้แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามรตันตนตรัเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภู ต, ตัมปนัตโตหากว่าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าพูดโดยเนื้อความและอันเดียวกันนี่พ่อใหญ่แกขวามียนี้ทีแรกพูดถึงเรื่องคนละอั น, นกันเสียก่อนทัตพูุทธเจ้าก็คือพระสิธทธัตถราชกุ ม, มารบำเพ็ญเพียรบารมีหรือบำเพ็ญทุกข์กิเลาจนสำเร็จเป็นพระราหันสมัยของพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบรญญัติ์ตำลา การดังอธิบายแล้วจะเป็นพระพุทเจ้ากับเพราะพระไทยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและ ก, รรากลําจักกิเลสประทับให้หมดชิ้นไปจึงได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่เป็นพระสมานพระพุทธเจ้าที่ว่าพระอาหารหันต์กันพระพุทธเจ้านในไม่ผิดอะไรกันหรอกคือสัมคือล่ากิเลสเหมือนกันแต่ว่าพระสมานพระพุทธเจ้ารู้โดยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอาหารหันต ช่างละกิเลสช่างลกิเลสมดจดชิ่นซึงเพราะได้ฟังคําสอนครูเด็กเจ้าแล้วยังคอยรู้ตัแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเห็นนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือว่ตัสรู้เองรู้เองนิสสาวก่าพุทธะพุทธะเหมือนกันแต่ว่าฟังยังคอยรู้เจว่าสาวก่าพุทธะ อันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้บอกว่าถึงเรื่องพระธรรมกันพระธรรมนั่นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมควมเลยเลยคือรูปธรรมนามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขยายไปยังอธิบายตะกี้เนี่ยนี่เป็นธรรมพระธรรมนั่นเป็นรูปก็มีเป็นรูปก็มี มีพูดถึงเรื่องธรรมพระสง์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคัมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแฝงนำมาปฏิบัติฝึกรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดาสามารถชำระกิเลสให้หมดจดทิ้นซิ้นไปได้เนี่ยบอกแฝง ถ้าสงคู้ชั้นกระลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำระกิเลสให้ใสสะอาดใจให้ใสสะอาบริสุทธิ์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างท <c oughs> ่านนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคําว่าพุทธพุทธะคือความรู้ รู้อะไรก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชำระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าพระธรรมหรืออีกนอยหอย่งอย่ า, อย า, ยาพูดที่เรียกว่าพระธรรมนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่ตกกระปก เอาเอาไ อ, าอา้น้ําก็ดิ้นสบู่แฝกแฝกก็เองมาชาําระซักข้อผ่าของเราซักกับโปรกการชาําระไอ้ของซักโปรกอ่ะเน่ะคือชําระด้วยแฝกเรือนน้ำหรือสบู่นั่นเองถ้าถามอันนี้พระประสงค์ละ่ะคือผู้เอามาชาําระนั่นเองคือวิธีมาชาําระนั่งคือประสงค์ มันจกรปลกผ้าจกรปลกถ้าไม่มีแฟบมันมีส บ, บูก่กดชำระล ะ, ละน้ําไม่มีน้ําก่อล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำํำนี้ส บ, บู่น้ำและส บ, บู่แฟบถ้าคนไม่เอามาใช้คือไม่มีผู้เอามาําระมันก็ไม่สําเร็จความประสงค์ตามควประสงค์ให้ จึงเอามาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสุปรกคือพุท ธ, ธะเห็นผ้าในของสุขรกคือพุท ธ, ธะนั่นแหละคือความรู้รู้ว่าสกปรกและวิธีที่รู้ว่าสุปภพนะ น, นั้นมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอา ของสปกปรกของเอาแฟบเอาสบู่แล้วเอาหน้ามาล้างของสกปรกนะีคือปัญญาเกิดจากของสปกปรกคือเกิดจากกิเลสมีเข็นโทษของกิเลสนักมีวิธีชำระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆหรือเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้ธรรมนั่นเอง ได้ของมาซักฟอกนั่นเองนี่ของที่ว่าซักฟอกมันมีเยอะแยะค่ะนี่ถ้าไม่มาซักฟอกมันก็ไม่สะอาดผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆ ค, คือสงให้มันเข้ากับว่าสงทําไมจึงเรียกว่าสงคือสูปฏิปโนปฏิบัติดีอุสูปฏิปโนปฏิบัติกลงปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนทุกข์ ปฏิบัติไม่เบียดเบียนตนในคนอื่นเป็นที่น่าอิสร ก, กราบไปะบูชาคือเป็นใหญ่มีอิสระในตนเองสามีจีปฏิปโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่ก็ว่าหรือว่าน่ากราบไหว้รบูชาตัวว่าพูดกันง่ายๆเลยว่ามีอิสระไม่เป็นท่าของใครรู้ได้ตนเองทำในตนเองทำได้ตนเอ ง, เองรู้ได้ตนเองแล้ว ทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบีย น, นคนอื่นตนและคนอื่นจึงเป็นที่น่ากลาบไปแต่สักระบูชาคนทั่วไปมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อธิบายพระสมอมเขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ธรรมคือรู้อุปาคือรู้เห็นของสกปรกพระพุทธทาคือสิ่งที่เอาของสกปรกจริง เที่ยวไปชำระสองก็ของกกอสกปรกมาถึงมาชำระผ่าที่มันุกนปรกแล้วพระสงฆ์ก็ พ, สสพูดที่เอาของนั้นมาชำระนั่นแะเนีสส่ยพระสงฆ์เขาก็มาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายทาานี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปันโนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติกรง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 ปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงค่อยเห็นเห็นคือกวมรู้เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ในปฏิบัติดีจึงเข้ไปเห็นสิ่งที่มันสกปรกแล้วจึงหาวิธีมาแก้ของสกปรกนั้นียกประสงค์ขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนอี่การทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในติฏฐิธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมอยู่แล้วกิเลสทั้งหลายมันเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกอันนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาอวิชาความรู้จากจากกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสอันนึ่งไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลส นี่จริงวายกประถามขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้คม ร, รู้ในการที่จะชำระกิเลสนี่ก็เกิดพุทธะขึ้นแวแน้่ก็เกิดสังฆาคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับ ส, บสร้างอะไอย่างนี้อ่ะท่านจริงว่าเอกีภูตัมปนัตถโตถ้าพูดโดยเนื้อความนั้อันเดียวกัน ฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดคน้นพิจารณากันคิดจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทำที่ก่อนคือไม่เห็นตัวใจดังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วมาชำระตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจเท่านะั้จําหลักใจซะก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ่า เมื่อเราเห็นธาตและของสกปรกเกิดที่ผาติดที่ผาที่เราเห็นของสกปกคือเราเห็นอาการของจใจแล้วน่าหาวาวิธีที่ชำระของสกปรกคือใจเที่ยวกับปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้ลนะเราชักเราซักฟอกฝาผนของเราที่สกปกให้สะอาดใดๆคือชำระแจของตงนบริสุทหมดจดแต่ใจคือตัวเดิมไม่ได้แตแล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะไป็ักพอกตรงไหนกันอะไรมาติดมาเกาะตรงไหนของจู้เลือกนี่ยังควรให้พากันหาค้นคว้าหาตัวใจอบลงฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้ก่อนอย่างนี้เราอยู่กับใจใจนั่งเกาะเกี่ยวโวดยกิเลสขุนมัวโดยกิเลสวุ่นอยู่ในก็ด้วยกิ เ, กเลส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 อย่างส้นเด็ดนะฮะเวลวงมฉันพูดเรื่องเจ้ากุณวุลีถึงงมาที้งเขาพาฝีเป็นที่หลังเขาจะใช้ยาเน็บยาหมึนถ้าไม่จองหรอกไม่ใช่ของฉันแล้วเธอพาไปเถอะเขาก็พาได้สบายแค่กับพูดเยฉยสนุกอยู่คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจองตรงนั้นมันก็เรื่องของเรื่อง เรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายตนะของภายนอกกับภายในกระทบการเกิดประสาทขุมรูหรือเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ใจทั้งแข็งเก่งหรือท่านมีความสามารถจะแยกออกไปหรือเข้าใจตามเป็นจริง เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลองไปได้เมื่อครั้งท่านจะมานหนภาพหาขาท่านหักมีหมอจิ้นแสสองคนดึงคนละข้างข้หนึ่งดึงดึงท่อนปลายข้หนึ่งดึงท่องท่อนกบลูกจีนลูกหากันลลองเชียวกันหมดเลยท่านเคย พอดีนัง่งหนัเขา่ารู้สึกว่าอาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อนเขายังก็ปล่อยวางมืงอก็ฟังอ้าวทำอีกยอมให้เขาทำเขาก็ทำทำอยางนี้ก็ดึงไม่เข่ากันเราก็เลยทิ้งอะไรเทใ่ในลูกสิลร์ลงหาฟังอะไรกัน เจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องหไห้คืเฉียวจ้าหมดมนี่เรื่องนี้ตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไเห็นพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาที่ให้พิจารณาเป็นขันหาอุจจาะท่าต่างๆคือไม่เห็นเป็นอนัตตานี่เอง อากจิตเรายังมาทั้งละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้ า, ขารู้ชัดตามเป็นจริงวิจารณาดวงลงปฏิโลมลิตรกรต่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงเขาเข้าถึงใจแล้วจะรู้อาการของนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ใจนั่นแล้วเราจึงได้เราจึงได้ออกไปไปใช้ในขนาดที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ ให้มัอเหตุจำเป็นเกิดขึ้นจงว่าหัดมาอบรมพึกผลกันไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพึกผลอบรมแต่แท้ไม่ีใครบอกให้หราเร่องเรื่องพว น, นี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างอธิบายให้ฟังนี่แหละคนที่เป็นจริงเห็นจริงนั่นนไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเออเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งหางนางเคยอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้ฟังนี่เรียกว่าอุบาย าการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเงียบคายของตอนเองไม่มีใครบอกสอนรู้ชาติ ด, ด้วยตนเองคือมาเมื่อรู้ชาติด้วตนเองคือมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใช้ในอย่างดีที่สุด น, นเรื่องของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดให้คนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเงียบคายเป็นของเฉพาะตัว เนี่ยทบายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธประธานพระสงค์ลักว่าพระพุทธประธานพระสงค์น้ะพูดโดยวัตถุนั้นเป็นสามถ้าพูดโดยเนือ้อความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ซึ่งจะถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธประธานพระสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ้งผู้จะเห็นพระพุทธประธานพระสงค์ไม่ใช่ของง่าย แล้วพากันกล่าวบรรนาอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนนะ่ะอ<ม>พุ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทธังเท่านั้นก็ทรายเท่าังนก็ทรายเท่านั้นก็ทรายแม้จะกราบก็เหมือนกันกราบสามหนเงียบไม่ทราบพูดไปทําให้สงศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ศักดิ์สิอะไรก็ไม่กลาบชัดแค่ว่ากราบไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือลูกผู้ปฏิเาธ แล้วก็เข้าใจาพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระาราสนาอะไรผลอันนี้สงเลยมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าทีแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกล่าบที่ได้ถึงทีนั้นกราบเมื่อไหรถึงเหมือนนั้นอันนี้กราบกี่ครัง้งเหรมันไม่ถึงสักทีโอ้โหตั้งแต่เกิดมาพิดามันดาผู้ญาติเราทั้หมดัตกล่าวมาเด้มเลยไห ยังไม่ถึงพระพุทธภาษม์พระสรงฆ์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาที่ศุทรามณีก็ยังไม่เห็นพระไม่ถึงพระพุทธภาษม์พระสรงฆ์ก็ยังเยอะจะถึงได้อย่างไงก็นเอคิดดูสินักพวกนักคนนภาอยังไปถือผีอยู่ซ้านะแทนที่จะถือพระพระธภาม์พระสงฆ์ไปสาราไปถือผีเป็นสรนารณะอีกส้ำจะถึงพระพุทธภาษม์พระสรงฆ์ได้อย่างไรเนื้อที่ว่มาในวันนี้ ก็พอสมควรเท่านี้แหละ ใจเป็นขังมีตัวแต่รู้ได้โดยใจของตนเองอย่างสาเร็จท่านเทศเสวนี่ทุรังขมังเอกจรังอศาศัยหลังขูหาสยางเยจิตตังสั ญ, ญมิตสันติโมคันติมาละบนรนาทุรังขมังเอกจรังอศาศัยหลังขูหาสยามจิตเที่ยวไปในที่ไกล อาศัยยังคุหาจะยังไม่มีร่างกายเที่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคูหาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวของเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังวกกลับคืนมานอนอยู่ที่ร่างกายทืออยู่ที่นี้ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตายอันนี้มันวกกลับคืนมาอยู่ยังไม่ตายอาศัยยังคุหาจยัง ตอนถ้ายาเ ย, ยจิตตังสัญมิตรสันติถ้าหากใครเ ย, ยจิตตังสัญมิตสันติสำรวมจิตของตนได้โมฆะันติมาละบัณฑนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นเ น, น่นงสงสยไปถูกบ่วงของมารทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งสงสัยก็ถูกบ่วงของมารครับ เึิ่งไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นๆเรียกวกา บ, บวงของมา <c oughs> เพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้ดยใจของตัวเองว่ามีอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ได้เคยฝึกฝนและไม่เคยอบรมแล้วก็ไม่เคยเห็นตนเห็นตัวมันซักที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 ที่มันวิ่งผ่านมันเคยมาเต้ไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะก่อนคันนี้ใจมันวิ่งใจไม่มอยู่ในจุดเดียวจะแพ่งที่ลงหายใจเข้าออกหรือจะแพ่งที่พุทโธเอาว่าแพ่งในที่นี่คืให้อยู่ในจุดเดียวเข้าไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากว่าจะส่งสายออกไปก็ดึงเข้ามาคือเอาชติ มัไม่อยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้เสก่อนถ้ามันอยู่แค่นั้นเสก่อนถ้ามันได้นั้นเสีก่อน <c oughs> เมื่อมันได้อันนี้ชั่งนี้ชํานา้นนั้นนี้แล้วนะ่ะต่อป็นหาจริงมีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้ละดังที่ฝายฟานเตกกี้เนี่ยเข้าถึงพุทธโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเปรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้า เข้าถึงตรงนั้นอน่ยเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระสิทธเจ้าเราถึงตรงนั้นแล้วก็ว่าถึงแท้ทางก็คือถึงใจเข้าถึงใจเขามีตำราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระสิทธเจ้าถ้าเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าถึงพระสิทธเจ้าศาสนาพระเจ้าเองคนเห็นดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงตรงนั้น ดังนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้ า, านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้ า, านั่นแหละอันเดียวกันสมมุติเรียกพิษแผลต่อไปตามลัทธิที่นิยมของศาสนา น, นั้นยนะเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้คือรู้ใจเห็นจใจถ้าไปรู้ใจเห็นใจ